สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่450พระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่5ในเช้าวันนี้พระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อที่9จนถึงข้อที่11ฮีบรูบทที่2ข้อที่9จนถึงข้อที่11โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า แต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทําให้ต่ํากว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนในการที่พระเจ้าทรงนําบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่ง ดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้บุกเบิกทางแห่งความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานเพื่อว่าทั้งผู้คนทั้งผู้ชาระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชาระก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุฉะนั้นพระเยซู จึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าตอนนี้มีความสําคัญมากเพราะเนื่องจากเราได้เห็นพระเยซูเป็นผู้ที่เดิมนั้นอยู่สูงสุดเป็นพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาได้ทรงถูกทําให้ต่ํากว่าทูตสวรรค์ ต่ำกว่าทูตสวรรค์นิดหน่อยครับถามว่านิดหน่อยนั่นคืออะไรครับนิดหน่อยนั้นก็คือการรับสภาพเนื้อหนังของพระเยซูนั่นเองการรับสภาพเนื้อหนังของพระเยซูกลายเป็นมนุษย์นะครับเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ชิมความตายจะได้รับความทุกข์ทรมานพี่น้องครับการถูกทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์นั้นมีความหมายอย่างนี้ คือโปร่งถูกจำกัดครับในภาวะความเป็นเนื้อหนังของโปรงถูกจำกัดในขณะที่ทูตสวรรค์นั้นเป็น spiritual being spiritual being ก็คือเป็นสิ่งทรงสร้างฝ่ายวิญญาณเขาไม่มีความจำกัดไม่มีลิมิตเอชชั่นในเรื่องของสภาพเนื้อหนังเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องตายแบบที่พระเยซูต้องตายพี่น้องครับ เขาจะนับพระเจ้าตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูถูกทําให้ต่ากว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยหนึ่งนั้นต่อมาพระองค์ก็ได้รับเกียรติสงญลราศีเป็นมงกุฎเพราะการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานนี่คือพระคุณของพระเจ้าครับพี่น้องครับพระเยซูทรงยอมที่จะรับสภาพที่ต่ําต้อยเพื่อสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอดคําว่าชิมความตายนั้น มีความหมายว่าไม่ใช่เป็นการจิบวน์นะครับไม่ใช่เป็นการชิมอาหารอร่อยแต่เป็นการชิมของที่ขมครับเช่นชิมบอระเพ็ดชิมสิ่งที่ขมชิมความขมเคินชิมประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดรุดร้าวพี่น้องครับพระเยซูทรงประสบกับความเจ็บปวดรวดร้าวของความตายแทนเราไปเต็มๆพูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูรับความตายแทนเราไปเต็มๆ การสิ้นพระชนในฐานะตัวแทนของพระเยซูได้เป็นไปเพื่อมนุษย์ทุกคนครับและมันเพียงพอสำหรับทุกคนและได้ผลสำหรับทุกคนที่กลับใจมารับเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับการสิ้นพระชนในฐานะตัวแทนของพระเยซูของเรานั้นได้เป็นไปเพื่อมนุษย์ทุกคนครับไม่ใช่เพื่อมนุษย์บางคนไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อมนุษย์ทุกคนและเพียงพอสาหรับทุกคนด้วยแต่ ได้ผลสำหรับทุกคนที่กลับใจใหม่ทุกคนที่กลับใจมารับเชื่อในพระองค์ได้ผลเพียงเท่านั้นครับเพื่อทุกคนแต่ได้ผลสำหรับบางคนนะครับบางคนบางคนในที่นี้หมายถึงคนที่กลับใจคนที่บังเกิดใหม่คนที่มาต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดที่น้องครับการทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงของพระองค์เพราะความบาปของเรา ในการหลังพระโลหิตและซีนพชนแม่งเขนนั้นเกิดขึ้นได้ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าครับเป็นพระพระคุณของพระเจ้าครับพระเจ้าประทานกำลังให้กับพระเยซูเพื่อที่จะทนแบกกลางเขนรับความตายและนี่คือพระคุณของพระเจ้าและตอนนี้พระเจ้ากําลังหยิบยื่นความรอดยิ่งใหญ่นี้เป็นความรอดยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นความรอดยิ่งใหญ่ที่เกินพันานาให้กับเราในวันนี้ คือนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาคลคริสต์มาสนะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าเราได้เตรียมไขไว้แล้วหรือยังที่จะเป็นของถวายคือจิตวิญญาณของพี่น้องที่เรารักที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าให้รับพระคุณของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยการหยิบยื่นความรอดอันยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆของเราให้กับคนที่เรารักคือนะครับในข้อที่สิบเราจะเห็นนะครับว่า การที่พระเจ้าทรงพาบุตรเป็นอันมากถึงสงหารศรีก็สมควรอยู่แล้วครับสมควรอยู่แล้วที่พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของสิ่งสารพัดผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดจะเป็นเจ้านายแห่งความรอดนะครับพี่น้องครับคําว่าเจ้านายแห่งความรอดตรงนี้นะครับเป็นคําเดียวกันในภาษาฮีบรูที่ว่าเป็นคนที่เริ่มความหมายก็คือผู้ริเริ่มหรือผู้ก่อเกิดครับพี่น้องครับ คำว่านายมีความหมายว่าผู้ริเริ่มหรือผู้ก่อเกิดพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นนายหรือผู้ริเริ่มหรือผู้ก่อเกิดความรอดนะครับเป็นความรอดที่มั่นคงครับพระองค์ทร ง, งปเป็นแหล่งที่มาของความรอดและมันเกิดจากพระองค์ล้วนๆครับไม่ได้เกิดจากฝีมือของเราเลยพี่น้องฟังอีกครั้งนะครับอันนี้คือพระคุณครับเกิดจากพระองค์ล้วนๆความรอดนั้นเกิดจากพระองค์ล้วนๆไม่ได้เกิดจากฝีมือของเราเลยแล้วเพียงแต่ยื่นมือไปรับความรอด นะครับพระองค์ยื่นพระหัตถ์ส่งความรอดมาให้เราเราเพียงแก่รับความรอดนั้นมาเป็นของเราครับ mm. พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งไม่ได้เกิดจากความดีของเราหรือการประพฤติของเราเลยพี่น้องครับคําว่าถึงที่สําเร็จในข้อที่สิบเช่นเดียวกันครับมีความหมายว่าเสร็จสิ้นนั่นหมายความว่าพระเจ้าได้ทรงทําให้พระเยซูถึงความสมบูรณ์ในการ อนุญาตให้พระเยซูทนทุกข์ทนความเจ็บปวดแห่งความตายชิมความตายนะครับทําให้พระเยซูนั้นมีประสบการณ์แบบมนุษย์เราทุกประการครับพี่น้องพระองค์พระเยซูมีประสบการณ์แบบมนุษย์ทุกประการฉะนั้นจึงทําให้พระองค์กลายเป็นมหาปุโรหิตเป็นมหาปุโรหิตแบบไหนครับเป็นมหาปุโรหิตแบบที่สามารถจะเห็นความอ่อนแอของเรา และเห็นใจในความอ่อนแอของเราเป็นมหาปุโรหิตที่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการมีความอ่อนแอนะครับถูกทดลองมีความเจ็บปวดมีความรู้สึกเหมือนกับเราทุกประการแต่ถึงกระนั้นก็ตามพระองค์ก็ยังปราศจากบาปที่น้องครับคาคำนี้มีความสำคัญครับหลายๆลายครั้งบางคนก็อาจจะอ้างบอกว่า ที่เราผิดพลาดไปนะครับเพราะความอ่อนแอของเราแต่พี่น้องครับให้เราดูพระเยซูเป็นที่ตั้งครับเมื่อเรามองพระเยซูเราเห็นว่าพระองค์ถูกทดลองเหมือนกันพระองค์มีความอ่อนแอเหมือนเรานะครับพระองค์ชิมประสบการณ์แบบมนุษย์แบบเราทุกประการแต่ถึงกันนั้นพระองค์ก็ยังป ร, ปราศจากบาถามว่าทําไมพระองค์ทําได้คํำตอบก็คือพระองค์อธิษฐานขอกําลังจากพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวัน เหมือนกับพี่พี่น้องกําลังฟังผมอยู่ทุกวันนี้ผมเองก็ต้องอธิษฐานขอกําลังในการชนะชนะการทดลองนะครับเอาชนะความอ่อนแอของตัวเองและหลายในครั้งทีเดียวเราก็ยังมีความอ่อนแอมีความท้อใจหลายสิ่งหลายอย่างอยู่พี่น้องครับเราจะต้องอธิษฐานใกล้ชิดกับพระเจ้ารับกําลังทุกๆเช้าอ่านพระวจนะของพระองค์อธิษฐานภาวนาไข้ครวนและ มีจิตใจที่สงบนิ่งคอยฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและมีความตั้งใจที่จะเชื่อฟังเชื่อฟังทาตามนมัตไ่ของพระองค์เสมอทีนะครับในข้อที่สิบเอ็ดซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับต่พระเจ้านักของพระเจ้าได้กล่าวว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระทั้งพระองค์ผู้ทรงชำระก็มาจากแหล่งเดียวกันจากตรงนี้นี่เองนะครับทาให้เรารู้ว่า พระเยซูนั้นไม่ทรงละอายที่จะเรียกพวกเราว่าเป็นพี่น้องกันเราไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแบบที่พระเยซูทรงเป็นนะครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่บังเกิดมาจากพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและทรงดำรงอยู่มาตลอดชั่วนิรันดรนการอย่างไรก็ตามเขาฝ่ายวิญญาณนั้นเราก็มาจากพระบิดาองค์เดียวกันกับพระเยซูเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราจึงเหมือนกับน้องๆของพระเยซู นะครับอันนี้คือพี่เยซูวจนะของพระเจ้าบอกเองครับว่าพระเยซูจะเรียกเราว่าเป็นพี่น้องกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องผูกพันกันและกันด้วยความรักเพราะฉะนั้นพี่น้องห้ามทะเลาะ ก, กันนะครับพี่น้องห้ามที่จะใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับพี่น้องจะต้องยกโทษให้แก่กันและกันเสมอขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้รับบทเรียนในเช้าวันนี้อาเมน